ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะถ้ารู้มีแต่ความรู้สึกแล้วคงที่เนะี่ะต้องผิดอะไรสักอย่างละเนี่ยใจเกิดสงสัยขึ้นแว บ, บหนึ่งรู้สึกมเนี่ยให้รู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่ยอมเปลี่ยนนะมีแต่ความสุขล้วนๆสามวันสามคืนก็อยู่ได้นะ <c oughs> ของปลอมฟ้าป้าป้าป้ า, ป า, ปาเลยเคลิ้มตามหลวงพ่อไปละดูออกมั้ เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ทําให้เกาะใจลอยละเนี่ยหัดรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจูนความรู้สึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยน well. หูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนเชียเสียงชมความรู้สึกเป็นอย่างนี้เสียงด่าความรู้สึกเป็นอย่างงี้เพลงนี้ได้ยินแล้วรู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ได้ยินแล้วรู้สึกอย่างนี้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 ส่วนใหญ่ซึมหลวพ่อดูแถวหน้านี่ซึมเกลี้ยงเลย น, นี่ด้วยอีกเล<น><น>ยหลวซึมเหรอคะซึม <laughs> โอ้ดีให้มันสว่างหน่อยแต่ไปต้องเอาสปอตไลท์สองหน้ารู้สึกไหมใจค่อยสว่างขึ้นหน่อยสิง่งแวดล้อมยังมีที่ฝนนะอ้าว่างไงก็เห็นเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะคะ่ะเมื่อเช้า เ, าเขาก็เห็นเขามีกลัวๆอยู่เป็นระยะแล้วก็ชอบ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 เฉก็ต้องเฉยแบบนุ่มนวลอ่อนโยนสบายเฉยแบบแห้งแห้งใช้ไม่ได้นะแห้งไปแห้งไปแล้วทําไมไม่แห้งอะคะทาไม่ได้ทําไม่ได้ <c oughs> ให้รู้แล้วอยอมรับสภาพนะจิตใจยัยมีความสุขขึ้นมาภาวนาแล้วต้องมีความสุขนะจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่เป็นมหากุศล จ, จิตนะมีความสุขอย่างดีที่สุดอย่างต่ำก็มีอุเบกขาแต่อุเบกขาแบบมีความสุข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 แต่ถ้าเรายอมรับสภาพได้เห็นทุกอย่างที่ปรากฏรู้ไหเนี่ยคุณตรงกดละรู้สึกไหมกดบับขึ้นมาเฉยๆให้รู้ลูกเดียวมันกดก็ไม่ต้องแก้กดก็ไม่ต้องแก้นี้สำหรับคุณตรงนะสำหรับบางคนต้องแก้บางคนเนี่ยกดมาตั้งหลายปีแล้วต้องหาทางแก้ซะก่อนเพราะจะมาเจริญสติรู้ว่ากดอะไรไม่หลุดหลกวิธีแก้การติด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 อะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวมีอะไรมากับคุณพ่อครับอยากรบกวนหลวงพ่อเอา<ม>คุณพ่อมาหลายรอบแล้วเป็นไงบ้างวันนี้จิตมันเส่งออกไปข้างนอกอยูอ่อ่เกือบตลอดเวลาครับดีทําให้รู้ตัวว่าเผลอเนี่ยดีดนนีนานๆสักทีเหรอไม่เป็นไรใหม่ๆก็นานๆทีต่อไปก็เยอะขึ้นตอนนี้จิตไม่เหมือนเดิมแล้วนะ รู้สึกไหมจิตใจเราสบายมันโปร่งมันโล่งกว่าแต่ก่อนครดูออกไหมครับดูออกครับเราภาวนาเริ่มใช้ได้ล้วดีครับโยมคอยรู้ไปเรื่อยๆตอนเนี้ใจหนีไปคิดรับไหมครับใจไหลไปคิดเราก็รู้เนี่ยจะพยายามเข้าไปดูมันพยายามเข้าไปตรึกมันอย่างเงี้ยครับเราก็รู้ทันรู้ทันใจไปเรื่อยๆกิ่งนะมันตรงใช้ได้ละครับใจตื่นแล้วล่ะ บางคนภานานะดียังไม่รู้เลยนะอ๋อดูหัดรู้หัดดูดีมากเลยเอา้าวใครยังไม่อ่านไปอ่านนะหัดรู้หัดดูโดยสุรวัตเรเสรีวิวัฒนาแจกฟรีนะมีมีพระเนี่ยนะพระท่านบอกว่าเห็นหนังสือของหลวงพ่ออ่านก่อนอุย้ยหนังสือปริยัติเก็บไว้ก่อนนะไปเจอหัดรู้หัดดูนี่แหละ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 มันพูดกันไม่ได้คล้ายๆไม่มีไกด์อะหลวงพ่อเลยพยายามทำหน้าที่เป็นไกด์ให้เดี๋ยวนี้ดูนักปริยัติก็ไม่ค่อยมีปัญหาคือไม่งั้นศาสนาจะไม่แข็งแรงเหมือนทะเลาะ ก, กันอยู่ด้วยนักปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่รู้ปริยัติเลยนะเยบแบบมวยวัดจะทำผิดผิดถูกถูกไปเรื่อยๆถ้าบุญบารมีพอก็ทำถูกไปหน่อย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 หลปู่สุวัสด์ท่านบอกท่านด่าตัวเองเลยบอาทำไมเป็นโง่แท้นอ้ออย่างี้ของง่ายๆแค่ น, นี้เลยเมื่อวานเยเจ้าค่ะพอดีคุณแม่อมลาเทศแล้วแบบแล้วโยมก็แบบมันสะอื้นแบบร้องออกมาแบบะลักออกมาใช่ไหรู้สึกแบบพระพุทธเจ้าเทศแบบมาถึงคำพูดคำสอนของท่านแต่เราทำไมไม่เข้าใจเราเราโง่มากแล้ ว, ลวก็แบบ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 ปล่อยให้หลงไปเลยเหออลงไปแล้วรู้เอานะไม่ใช่หลงไปเลยนะไปห <c oughs> ลงไปแล้วรู้เอาหลงไปแล้วรู้เอา <c oughs> ค่อยฝึกไปเศรยดายเมื่อวันพ่อไม่มาเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นะหลวงพ่อแทบไม่สอนเลยหลวงพ่อให้ส่งกันบ้านมีคนพอนาเก่งๆ เ, เต็มไปหมดเลย <c oughs> เวลาส่งกันบ้านนะ่ะน่าฟังมากสนุกต <c oughs> บถั่วอะไรหลวงพ่อลืมไปหมดแล้ว ไปอยู่มูนี้ที่ดวงแก้วอะไรนะอ๋ออยู่วัชระธรมหม อ, อเบี้ยวรถพยายามมาชวนหลวงพ่อไปอยู่วัชระธรรมสถานแต่ก่อนนั้นบอกว่าอยู่สวนโพไกลไปให้ไปอยู่วัชระบอกอยู่ตัวนั้นตายเลยใกล้ไปหลวงพ่อครับก็ได้โอกาสเพราะว่าวันนั้นกลุ่มกับพี่หมอแล้ว